คำว่ารู้ที่หมายถึงวิ ญ, ญญาณแปลได้หลายอย่างคือแปลว่าเห็นก็ได้การได้ยินก็ได้การเห็นเป็นการรู้ของวิ ญ, ญญาณการได้ยินก็เป็นการรู้ของวิ ญ, ญญาณอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาเรื่องนมามธรรมจะต้องพยายามกำหนดความหมายของคาที่เราใช้ให้แจ่มแจ้งอย่าให้คลุงเคลืออย่าลืมเป็นอันขาดว่าเมื่อพูดถึงวิ ญ, ญญาณ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 แต่เป็นการดับเพราะกิเลสในสันดานไม่มีความกดดันทางอารมณ์ต่างๆไม่มีและมีความชนานาญในการเข้าสมาธิซึ่งในขณะที่จะดับนั้นมีสติอยู่กับตัวติดต่อกันไปทุกขณะจิตในระหว่างที่ดับก็มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการดับจิตและเจตสิกในขณะที่จิตเข้าถึงนิพพานหรือพูดอีก่ายๆหนึ่งคือเข้าถึงความว่าง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 แต่วิญญาณทั้งหคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นและกายจะไม่เกิดขึ้นเลยข้อเท็จจริงอันนี้สำหรับคนที่ได้ฌานจะเข้าใจได้อย่างจำแจ้งและยอมรับความจริงข้อนี้ส่วนคนธรรมดาที่เข้าฌานไม่ได้ติดใจมักจะวกแวกอยู่เสมอจึงไม่อาจที่จะรู้ความจริงข้อนี้ได้แต่ยอย่างไรก็ตามขอให้จาไว้ว่า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 เช่นการย่อยอาหารการสูบฉีดโลหิตการทํางานของระบบร่างกายที่เรามักเข้าใจกันว่าเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามอัตโนมัตินั้นจริงๆล่ะเป็นการทํางานของจิตรจสานึกหรือผวังขวิญญาณนะครับให้สังเกตนะครับว่าเรื่องจิตใจสํานึกนั้นกว่าที่วิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันจะเข้าใจและพิสูจน์จนยอมรับว่ามีจริงก็เป็นเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีแล้วนะครับ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 ละมักจะเห็นว่าเป็นการอธิบายที่นอกเหนือไปจากหลักของพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าขอเตือนว่าข้าพเจ้าไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากหลักของพระพุทธศาสนาทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าได้มาจากหลักของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นแต่คนส่วนมากไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ถึงความหมายที่ละเอียดแต่อย่างไรก็ดีถ้าใครไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ตัดออกไปก่อน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 ในขณะที่เรายัางอยู่ในท้องแม่ก็ดีในขณะที่เรานอนหลับสนิทก็ดีซึ่งวิธีจิตหรือจิตสำนึกยังไม่เกิดในตอนนี้แม้จะได้ชื่อว่ามีการทำกรรมแต่ก็เป็นการทำกรรมที่ซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมไม่มีการสร้างกรรมใหม่หรือถ้าจะพูดอีกนัยยะหนึ่งก็ว่าในขณะนั้นวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในสันดานกาลังให้ผลอย่างนี้ก็ได้ขอให้สังเกตว่า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 ที่เป็นตัวการทำให้ลูกที่เกิดขึ้นมามีลักษณะเหมือนพ่อและแม่